คงมาเข้าเนติปรกรณ์ต่อเลยนะคือในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวันวิสาขานั้นก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งพระธรรมที่เราศึกษาทั้งหมดอยู่ในตอนนี้นะก็คือการศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละตอนเนี้ยจะหลังจากนั้นก็ฉันข้าวของนางสุชาดาฉันข้าวเสร็จพระองค์ก็ไปวิเวกันนะ เข้าสมาบัติเป็นต้นอยู่ตามป่าต่างๆตอนเย็นนั่นแหละจึงจะมาประทักศิลต้นโพแล้วก็นั่งบนอปปราชิตบาลังปฐมมยามก็ตรัสรู้ปุเพนิวาสานุสติยานมาชิมยามก็ตรัสรู้จุตูปปาติยานปัชิมยามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพร้อมกับรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้เกือบสว่างเ อ, อ เกือบสว่างของวันนี้โน่นแหละแตอย่างตอนนี้ก็เวลานั้นก็คือกําลังฉันข้าอยู่เพราะเวลาที่อินเดียจะชาควันนี้ชั่วโมงนึ่น ะ, นะช่วงนี้ก็กําลังพระ อ, องค์กําลังฉันอยู่ว่างัาง้นฮะยังยังไม่ถึงช่วงบรลลุช่วงบรลลุก็โน่นเช้ามืดนะนะดูว่าใครจะไปนั่งทั้งคืนบ้าง น, นะนั่งเป็นเอเรียบทนั่งไม่ใช่ตัวพุทธบูชาหมายถึงกุศลจิตที่เกิดขึ้นอาศัยการนั่งเนี่ยนะ ตรงนั้นเอาเป็นพุทธบูชาได้การศึกษาพระธรรมก็คือการศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เราเรียกกันว่าอริยสัจถือเอาอริยสัจเป็นเป็นเกณฑ์สำคัญในการตรัสรู้ของพระองค์เพราะว่าถ้าพระองค์ไม่เห็นอริยสัจพระองค์ก็ไม่ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า เพราะคำว่าพุทธะก็เน้นที่รู้อริยสัจอยู่แล้วผู้รู้อริยสัจแต่เป็นการตรัสรู้แบบสยามภูญานรู้ด้วยตัวเองไม่มีผู้อื่นบอกกล่าวเขาจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ชื่อเต็มเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศัพท์ว่าพุทธะเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าโดยศัพท์นั้นอมความหมายหลายอย่างอย่างแรกก็คือหนึ่งหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สปัจเจกับพุทธเจ้าสามสาวกกับพุทธเจ้าสี่สุตตะพุทธเนี่ยนะคือผู้ที่ฟังก็เชื่อว่าฟังอริยสัจก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนี่ยนะในพระพุทธเจ้านี่พอพระองค์ตรัสรู้อริยสัจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เอาอริยสัจนั่นแหละมามาแสดงพระพุทธเจ้านั้นตอนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ พระพุทธคุณทุกชนิดเข้ามาพร้อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เห็นไหมภยานทั้งหลายแหละการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับว่าพระพร ะ, พระราชาเนี่ยท่านได้รับการอภิเศษเห็นไหมถึงเรียกว่าถึงความเป็นใหญ่ทั้งหมดทันทีชั้นใดก็ดีพอพระองค์ตรัสรู้อรหัตตมัคคายานเห็นไหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อรหัตตมัคคายาน พยานอื่นๆพระคุณอื่นๆก็มาเต็มเปี่ยมพร้อมบริบูรณ์หมดเลยอย่างเช่นศัพท์ยานที่ไม่ขัดข้องในอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอดีตก็พระองครู้หมดอนาคตก็ตรัสรู้หมดปัจจุบันก็รู้หมดไม่มีเหลือแล้วพระ อ, องค์ก็ยังมียานที่ทําให้พระ อ, องค์กล้าเรียกว่าจตุเวสารชยานพระ อ, องค์ยังมี ยานที่กําหนดคติห้าพระองค์มีอาสาธารณญานหอาสาธารณญานหกเรียกว่าเป็นยานเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็คืออาสยานุส ย, ยานอินทริยปโรปริยัติยานมหาการุณาสมาบัติยานยมกะปาติหารยิยานสัพันยุตยานและอนานาวรณญาญานยานเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาสาธารณญานเป็นยานเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังมียานที่ กำหนดรูปโพชฌงเจตหรือแจมแจ้งในโพชฌงเจตยานที่แจมแจ้งในอริยมรตมีองค์แปยานในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9โทษสพลายานสิบานที่เป็นไปในอาการธรรมจักสิบพระองค์ก็ยังมีพุทธยานอีก14บสี่มีพุทธธรรมอีก18นิปดยา น, นาวัตถุ44มีญา น, นาวัตถุเจแล้วก็สมาบัตอีกหลายแสนโกรธเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธคุณอื่นอื่นเอกหาประมาณไม่ได้ หลังจากที่พระ อ, องค์ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเวลาเราจะสวดยกย่องก็สวดยกย่องด้วยสามข้อคืออรหังสัมมาสัมพุโทโธกับภะควานจะมาเป็นคําที่ยกย่องเทิดทูนย่อยๆอยู่สามคำอรหังก็ประกาศถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะ แรกนะอระหังใช่ไสองสัมมาสามัมพุทโธก็เน้นที่พระปัญญาที่พระองค์ตรัสรู้สรร พ, พสิ่งโดยไม่มีส่วนเหลือโดยเฉพาะตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะการรู้อย่างอื่นถึงจะมากมายขนาดไหนหัวใจที่สำคัญต้องรู้แล้วพ้นทุกข์ะนะความรู้ทั้งหลายแหละจุดประสงค์วัตถุประสงค์ก็เพื่อความพ้นทุกข์ั้นการตรัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้สรร พ, พสิ่งสรร พ, พัญยูเนี่ยรู้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ยกย่องก็คือการรู้อริยสัจเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นถือว่าเป็นการตรัสรู้แล้วทําให้พ้นจากทุกข์เมื่อพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์พ้นทุกข์อย่างนี้แล้วกรุณาก็กระตุ้นเตือนพระองค์ยางไงกรุณ า, ากระตุ้นเตือนพระองค์จากอัธยาศัยที่บาเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับทนับตั้งแต่มโนปนิทานด้วยก็ยี่สิบอสงไขยแสนกับว่า เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเพราะั้นเมื่อเราทํากิจในอริยสัจอย่างนี้แล้ว <'m> ก็จะให้ผู้อื่นเขาทํากิจตรัสรู้อริยสัจตามด้วยเราข้ามจากวัตรทุกข์อย่างนี้แล้วเราก็จะให้สัตว์อื่นเนี่ยข้ามวัตรทุกข์ด้วย <'m> <'m> เรา <'m> ปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยในตอนนั้นเนี่ยสัตว์โลกก็ยังไม่ได้มีใครตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นกรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนนะนะกรุณากระตุ้นเตือนให้พระองค์เนี่ยแสดงธรรม สละความสุขที่เรียกว่าสุขของพระองค์ก็คือสุขในการเข้าพระสมมาบัติสุขที่เกิดจากกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกพระพุทธเจ้าจะได้สุขทั้งสามประการเนี่ยนะพระองค์ก็สละสุขจากวิเวกสามกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกต้องมาคลุกคลีกับประชาชนในทางกายเนี่ยค่อนข้างมากพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เข้าไปหาณที่นั้น คำนวณว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นเท่ากับจัดเมืองเมืองหนึ่งเอาไว้เลยอย่างพระ อ, องค์จาริกเนี่ยมีประชาชนเอาอาหารบรรทุกเวียนเนี่ยเป็นเป็นพันพันเล่มเวียนติดตามเพื่อที่จะถวายอาหารประชาชนเนี่ยแห่แห่เข้าไปเฝ้าเทวดา ม, มาเป็นหมื่นจักรวาลนั่น ถ, ถ้าเปรียบไปแล้วพระ อ, องค์นั้นกายวิเวกไม่ได้สักเท่าไหร่แต่พระ อ, องค์ก็มีจิตวิเวกและอุปทิวิเวก แต่ที่พระองค์สละวิเวกทั้งหลายอย่างก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายในขณะเดียวกันพระองค์สงเคราะห์สัตว์ปราททั้งหลายพระองค์ก็ไม่ได้ติดข้องในสัตว์ทั้งหลายเลยเคยได้ยินว่าพระองค์นั้นเวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะกําหนดจิตบริษัทธก่อนกําหนดธรรมะแล้วก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมหมวดนั้นจบประชาชนก็จะอนุโมทนาเช่นสาธุสาธุสามครั้งนะเวลาที่เขาอนุโมทนาสามครั้งพระองค์เข้าพระสมาบัติ พระองค์ไม่ได้อยู่ฟังเออฟังชื่นชมผลงานที่ทำไปไม่ใช่เนี่ยนะเข้าพระสมาบัติออกพร้อมกับเขาอนุมโมทนาจบพอดีก็บอกว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระนิพตรัสรู้อริยสัจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตวิญญาณทั้งหมดของพระองค์น้อมไปหาอาสังขตะาธาตุอย่างเดียวแต่ที่พระองค์สละความสุขทั้งหลายแลเนี่ยนะทั้งหมดทั้งทางกาย กายวิเวกสุขที่เกิดจากการเข้าพระสมาบัติสุขที่เกิดจากการเข้าฌานสมาบัติเป็นต้นสละสุขอันนั้นเนี่ยเพราะการุณากระตุ้นเตือนท่านรมหาการุณาของพระองค์นั่นแหละทำให้พระองค์ต้องแสดงธรรมแสดงธรรมที่เรียกว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระอง์ก็แสดงธรรม เนื้อการแสดงธรรมของพระองค์แสดงเป็นอย่างไรคุ้นเคยก็คือพระองค์แสดงอริยสัจวิธีแสดงของพระองค์ก็แสดงอัศธาว่าแบบย่อๆแบบเนติปกรณ์ที่เรากําลังศึกษาก็คือแสดงอสาธาแสดงอาทีนวะและแสดงนิสรณะถามว่าทาไมพระองค์ต้องแสดงอย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ค้นคิดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ค้นคิดสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา เพราะว่าการตรัสรู้สิ่งเหล่านี้จะทำให้พ้นจากทุกข์นะนะองค์จึงสอบถามตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าอะไรหนอเป็นอัศสาธาของธาตุสี่ของธาตุดินน้ำลมไฟนะดินก็ไม่ได้เน้นไปที่แผ่นดินเนี่ยดินภายนอกกับดินภายในเราหวงดินภายในมากกว่านยนะ